พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแงทงธรรมในวันที่29ธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าไม่ได้บวชมาแบบ เห็นไหมชนีของหลวงพ่อชมชายมันรู้จักความเห็นงนี้เวลามันร้องตอนนั้นน่ะพอหลวงพ่อจะพูดมันหยุดมันหยุดร้องเห็นไหมมันมันมันเปิดโอกาสให้หลวงพ่อได้ได้พูดถ้ามันร้องอยู่ในช่วงนั้นโอ้หลวงพ่อพูดไม่ออกละหนวกหูชมชายมันร้องนนเ้งมันหยุดร้องเลยเห็น เมื่อวานมันก็ร้องนะพอมันร้องขึ้นมาแล้วดวงพ่อบอกว่าจะหนาวแน่ว่ะวันนี้ก็หนาวจริงจริงนะวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานแต่ไม่รู้มันจะหนาวไปอีกเท่าไหร่วันนี้มันก็ย้ำอีกนะโสมชายย้ำอีกวันนี้มันคงจะหนาวต่อไปอีกอยุกมังตามปกติก็านานี้เป็นนี่แนหะช่วงเดือนธันวาม ก, กราเนี่ย เป็นช่วงที่ความหนาวในช่วงวัดของเราแถบนี่แหละแถบอุดรจังหวัดเลยเป็นช่วงที่หนาวหนาวมากๆนะแต่สามปีมันเนี่หลวงพ่อแบบไม่ค่อยหนาวนะแต่ปีนี้จะจัดว่าหนาวไปอย่างอย่างอย่างแต่นิดหน่อยท่านเองปีนี้ไม่หนาว วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเกธันวาคมพุทธศักราชสอง8้าห้าสบแปดวันปีใหม่ของพวกเราวันปีใหม่สากลใกล้เข้ามาเต็มทนวันที่สา3สบสาสบอ็ดและก็วันที่หนึ่งอีกสามสี่วันเป็นวัน เทศกาลเป็นวันปีใหม่แต่ลุงพ่อเองถึงจะเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในป่ารงพงไพลงพ่ออดเป็นห่วงลูกหลานไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าแต่ละปีที่ชีสติคนในชาติล้มหายตายจากไปปีหนึ่งหลายร้อยคนไม่น่าจะเป็นนะ แต่เราก็เจ็บป่วยเจ็บอีกประสบอุบัติเหตุอีกรวมๆแล้วหลายพันคนหลายพันเหล่านั้นน่ะแต่บางคนก็ปกติกับปกติได้แต่บางคนก็เสียศูนย์ไปก็มีมากต่อมากเพราะว่าขาหักแขนหักช่วยตนเองไม่ได้เป็นภาระของครอบครัว บางทีของหัวนอกพื้นผ่ากะโหลกทั้งที่เป็นคนคนดีเป็นคนดีสมบูรณ์ทุกอย่างแต่พอมาประสบอุปัติเหตุเข้าไปนเ่เสียเสียคนไปเลยมดมดอนาคตมันไม่ใช่หมดอนาคตแต่เฉพาะตัวเองเท่านั้นแล้วผู้เกี่ยวข้องนะ่มันเป็นภาระ เป็นภาระของผู้ที่อยู่ใกล้ถ้าไม่เลี้ยงหรือก็อยังไงถ้าจะเลี้ยงทุกครอบครัวก็ยังจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วทั้งลูกสามีภรรยาไม่รู้จะทำยังไงเพ้เอเผลอยังขี้โมโหอีกต่างหากเพราะบางคนเป็นบ้าบ้าบ้องบ้องเสียสูน ท้งให้ทำให้ครอบครัวแตกแตกสรุปผู้พ่ายเขามีเพราะเหตุไรเพราะตัวเองขาดความรอบครอบสรุปแล้วไม่รักตัวเองสิ่งเหล่านี้อยากจะให้อยากจะเตือนย้าเตือนให้กับพวกเราทุกๆท่านเกิดมาทั้งทีชีวิตพวกเราก็ควรจะมองตนเอง จะทำยังไงจึงจะไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นจะทำยังไงจึงจะให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติท้าววัตัวเองตั้งตัวดีแล้วมองดูตัวเองปัจจุบันดีทุกสิ่งทุกอย่างผู้เกี่ยวข้อ ง, องพวกเกี่ยวข้องมันก็ดีไปหมด ถ้าหากว่าตัวเองทําตัวไม่ดี อ, อประสบบัตรเหตุแต่ใครๆก็ไม่พึงปราถนาหรอกแต่ถ้ามันสุดวิสัยทํามันสุดวิสัยอีกอย่างหนึ่งก็ว่ามันสุดวิสัยแต่ถ้ามันไม่สุดวิสัยคืออะไรคือหาเรื่องเสพยาเสพติดของมึนเมาเข้ามาเนี่ยขาดสติอันนั้นแ่ะหน้าตําหนิเพราะเหตุ อ, อะไร ทังที่รู้ทั้งรู้ว่าเป็นช่วงเทศกาลเขาประกาศให้ฟังไม่รู้เท่าไหรเท่าเท่าไรก่อนที่จะถึงงานปีใหมห่ด้วยนานสงกรานประกาศแล้วประกาศอีกก็รู้กันทั่วหน้าแต่ตัวเองก็ยังถลําไปกลับไปทำในจุดนั้นอีกอยู่ใ น, นหน้าตำหนินะแสดงว่าไม่รับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง สิ่งเหล่านี้เราอยากจะให้พวกเราบอกกล่าวแนะนำลูกๆหลานๆของพวกเราอย่างน้อยก็ให้รู้จักรับผิดชอบในการเป็นอยู่ในรับผิดชอบในตัวของของแต่ละแต่ละคนคนเองเพราะว่าเด็กเล็กไม่ใช่เด็กเล็กเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพอสมควรแล้วทานเด็กเล็กมันก็คงจะไม่มีทำไม่ทำอย่างนั้น แต่นี้มันพอเป็นพอจะพูดกันรู้เรื่องแล้วแต่ว่าขาดขาดความรับผิดชอบไม่ได้คิดถึงอนาคตมันคิดใกล้ความคิดใกล้ความความคำนี้แหละคือการไม่มไม่มีการวางแผนไม่มีวานการวางแผนชีวิตของตนเองมองไม่ไกลเอาแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เฉพาะหน้าต่อไปภายภาคหนัอค่าจะเป็นยังไงมันไม่ได้คิดนี่แหละจุดนี้แ่ละเป็นจุดที่คนเอเชียของเราเนี่ยคนเอเชียของเราเนี่ยด้อยจุดนี้นะถ้าจะเปรียบเทียบกับฝรัง่งชาวยุโรปเขาวางวางแผนเขาวางแผนไกลแต่คนเอเชียเนี่ยโดยมากไม่ใช่ทั้งหมดหรอกรวยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านของพวกเราเนี่ยไม่ได้มองไกลแบบมองแบบสุกเอาเผากินซะมากกว่าที่หลวงพ่อดูๆนะเพราะหลวงพ่อก็อยู่กับชาวบ้านเหมือนกันเพราะนั้นจึงมองมองเขามองเรามองเสียงรอบด้านรอบข้างบางเสียงบางอย่างอย่างตัวอย่างเห็นในเห็นจับชาวบ้านทั่วไป เวลาได้เงินตกเบิกออกมาแล้วพอเงินเดือนออกมาต้องไปหากินซะก่อนต้องเอาไปใช้ซะก่อนมันหมดเงินซะก่อนล่อยล้อซะก่อนจะกลับมาทํางานอีกทั้งที่เงินก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ตามไม่จริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราน่าจะวางแผนการชีวิตของเรามีครอบมีครัว มันมีทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายทั้งนะั้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกด้วยพอเงินตกกองมาแล้วนะเอาไปเที่ยวไปกินซะก่อนแต่ตามไม่จริงไปเที่ยวไปกินมันก็หมดตามไม่จริงน่าจะวางแผนในครอบครัวเงินตกมาเท่าไหร่เอาตกมาหนึ่งมื่นบาทมีพ่อแม่ลูกสามสี่คนนะเราจะให้ใช้คนละเดือนละเท่าไหร่พ่อแม่เก็บไว้เท่าไหร่ ลกเอาไปใช้เท่าไหร่ตามไม่จริงมันน่าจะวางแผนกันหรื อ, อยังไงก็ให้มีส่วนเหลือถ้าเราขยันก็กใช้มากขึ้นถ้าเราไม่ขยันก็ต้องให้มีส่วนเหลือสึอเหลือนั้นเหลือไวนะ้เหลือไว้เพื่ออะไรเหลือไว้เพื่ออะไรเพื่อคนในครอบครัวสามสี่คนนั่นแหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะทำยังไง ไปหาหม อ, อยังไงจะใช้เงินจะใช้เงินยังไงถ้าไม่มีเงินก้อนไว้ในครอบครัวเสเลยครอบครัวนั้นไปนว่าหวันไหวไกว้แข่งเพราะว่าไม่ได้วางแผนเอาไว้แต่แตามที่จริงถ้าวางแผนน่เราใช้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่วควรจะมีพ่อแม่ในครอบครัวถ้าว่าพวกเรารู้จักวางแผนอนาคตอย่างนั้น่ะหลวงพ่อว่าไม่เดือดร้อนนะ แต่นี่ถ้าหากว่าไม่ได้ไม่ได้วางแผนนะมีอะไรอยู่ในมือนะพอปัญหาอย่างนั้นเกิดขึ้นมาที่ดินก็ขายหมดจำนองจำนำหมดแล้วก็เงินดอกเท่าไหร่ไม่ว่าผลทีส่สดก็นั่นหละก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะหลายเพาะขาดการวางแผนชีวิตของตนเองหลวงพ่อเนะี่ยอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลาย วางแผนอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อเนี่ยนะขนาดเป็นพระป่าผ้าดงหลวงพ่อยังคิดนะมาอยู่ที่นี่จะทำยังไงต่อไปภายภาคหน้าทางว่ามีคนมากเกี่ยวข้องเนีศรัทธาญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องข้องมากน้อยแล้วควรจะทำยังไงหลวงพ่อก็ได้คิดไว้เหมือนกันนะลูกหลานนะวางแผนเหมือนกันแต่ว่าแผนของหลวงพ่อไม่ได้แผนหนักหนา อแผนหลวงพ่อไม่ได้ใช่แผนหนักหนาทําไมจังว่าแผนไม่หนักหนาเพราะชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยเป็นชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายเอ่อถ้าว่าดูแล้วบริหารจัดการไปแล้วไม่ไม่ไหวฮเออมันหนักเกินไปไม่ไหวไม่ไหวหลวงพ่อจะไปแบกทําไมใช่ไหมล่ะเออหลวงพ่อเตรียมบริขารแปดเลยแบกกดใส่บาแล้วก็เปิดแหนบ เอาไปอยู่ป่ารงพงภายไหนก็ไปจะไปจะไปแบกทำไมพลอยอะไรพราะหลวงพออ่อไม่ได้เป็นภาระไม่ได้รับภาระอะไรมีแต่ว่ารับภาระของพุทธศาสนารับภาระของพระพุทธเจ้าเป็นสากยบุตรแต่เมื่อเราแบกไม่ไหว เ, เราก็ต้องโยนทิ้งอออพลอยอะไรเพราะไม่ไหว สำหรับหลวงพ่อเป็นพระนะแต่ถ้าพูดพอสู้ไหวหลวงพ่อจะต้องวางแผนบริหารจัดการยังไงช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือการแต่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายมีครอบครัวมันผูกมัดมันไปไหนไม่ได้มันจะต้องรับผิดชอบมันอีกส่วนหนึ่งนะแต่สาหรับหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยล อ, อยลาลอยตัวเพืะไร เพราะชีวิตนักพจนักบวชเราจะแบกไปอะไรเราจะทาทาแบกภาระให้หนักทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันพร้อมที่จะเสียสละได้เห็นไหมลือชีชีภัยเขาอยู่เป็นรือสีอยู่ในป่าดงพงภัยชีวิตของแต่ละแต่ละคนมีแต่กินผลละหมากรากไม้ กินผ ล, ลไม้ป่าอยู่ในป่าฮิมพาลอย่างนั้นก็อยู่แบบไม่ได้ทำไรทำนาหาอยู่หากินตามมีตามเกิดจากนั้นคนเนมาบำเพ็ญต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ต่างไปเมื่อตายไปแล้วกันนะ่ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมของใครของเราอันนี้นก็คือชีวิตของนักพรตนักนักพรตนักบวชอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วพระเนี่ยท่านสอนให้มักน้อยสันโดษมากๆเลยนะบินดิบินดิยาโลปโภชนังนิสัยยปปัชชาตัทธเตยวชีวังอุตสาหโหครณิโยอติเลกลาโภดเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วเจ้าต้องบินทบาทอาศัยลำแข่งอาศัยแข่ง เดินไปบิดบบาตมาเลี้ยงชีพนะแล้วก็เมื่อเจ้าบวชเมื่อเลี้ยงชีพแล้วให้เจ้าผ้าทั้งหลายแล้วก็ใช้ผ้าบางสกุลผ้าผ้าที่เขาทิ้งตกหล่นที่เขาไม่ใช้แล้วก็มาเย็บปะติดปะต่อให้เป็นผ้าจีวรก็ได้ไม่มีโทษอันนี้คือความถูกต้องในการ การเลี้ยงชีวิตของเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะสรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่ของพระเนี่ยพระพุทธเจ้าต้นตระกูลของพุทธเนี่ยให้เป็นผู้มักน้อยสัตโตดจริงๆหลวงพ่อว่านเนีเวลาไปบินธบาตก็ไม่ให้ขอเขาอีกที่ไหอัตมาขอข้าวนาโยมอัตมาขอขับขอกับอัตมากินอย่างนั้นไม่ได้อาตมากินอย่างนี้ไม่ได้เดินไปตามถนนสุดแท้แต่ศรัทธาญาติโยมเขาจะทําบุญอะไรกัน ก็ทำบุญรับมาแล้วก็อันไหนฉันได้ก็ฉันต้องให้เพียงพอในการอยู่ฉันพออันนี้ก็คือการปินทบาตแล้วก็ผ้าบางสกุลก็ผ้าอย่างที่เย็บปิติดประต่ อ, อเอามาใช้ได้ไม่มีโทษแล้วก็ยายารักยารักษาโรคสมัยนั้นไม่มีหายายาก กระยาดองด้วยน้ำหมูดเน่าน้ำหมูดก็คืออะไรคือน้ำปัสสาวะเนะ่ต้มแล้วก็อ้แล้วก็กไปแช่กับน้ำขาป้อมสมอใส่เกลือเข้าไปแล้วเป็นน้ำยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บสมัยโบราณนะชุดแท้แต่ใครจะคิดหายาจุดไหนได้ท่านเขาไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรอีกอันนี้ว่าการเป็นอยู่ ฉันยารองด้วยน้ำมูนเนานะ่าแล้วก็อยู่คโคลนต้นไม้หนึ่งการเป็นอยู่ก็อยู่คโคลนต้นไม้เง่าไม้คโคลนต้นไม้เนี่ยเข้าไปอยู่ในล่มต้นไม้แล้วก็อยู่ในถ้ำอยู่ในเงื่อมผาในการเป็นอยู่ของพระแต่ในพันษาถ้าจำพันษาเนี่ยจะไปจำพันษาในตุ่มในตุ่มในโอง่ง จะไปทำจำพรรษาในโพรงไม้ให้มีประตูปิดเปิดให้มีหลังคาที่จะจำพรรษาต้องจัดให้มีหลังคาแล้วก็มีประตูปิดเปิดสะดวกพอสมควรเพื่อการฝนแต่ถ้านอกพรรษาไปแล้วเนี่จะไปอยู่โครนต้นไม้ก็ได้ที่แจ้งลอมวางบ้านล้างที่ไหนก็ได้ ให้ที่อยู่ในที่สงบสงัดอย่าไปพุกพ่านวุ่นวายกับผู้คนที่มาเข้ามารบกวนเกี่ยวข้องเมื่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหามุมสงบอยู่โครนต้นไม้ที่แจ้งลอมฟางอยู่ในเงื่มผาจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเพ่งพินิษให้จิตยอยู่ในความสงบด้วยสติสัมปชัญญะจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณาถึงไตรลักษณ์อเนจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายความเกิดความเสื่อมของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละให้เพ่งพินิษ์อยู่อย่างนี้จากนั้นก็ให้เห็นโทษ ในการเป็นอยู่เกิดแก่เจ็บตายหาทางพ้นทุกข์ตามแนวแถวอริยประเพณีพุท ธ, ธนะเนี่ยอันนี้ก็ะคือพระพุทธเจ้าท่านสอนพระท่งนะท่านสอนให้มีความมักน้อยสตโ ด, ดอย่างนั้นแะแต่พอต่อมาเนี่ยก็นี่แหละมีวัดวาศาสานาท่านก็ไม่ว่าแต่ก็อยู่ตรงแบบอยู่แต่วัดวาศาสานาต้องอยู่ในกฎต้องในอยู่ในระเบียบอยู่ในวินยัย อย่าให้ออกนอกลูก่นอกทางโนมันถ้าเป็นวัดก็อยู่เป็นวัดอยู่แล้วต้องมีกฎ ก, ฎกติกาอย่างการอยู่ในวัดเหมือนกันภิกษุใช้เตียงโต๊ะเก้าอี้ต้องเก็บให้เป็นที่ถ้าเอาโต๊ะเก้าอี้เอาไปไว้ในเอาไปใช้ในครั้งนอกต้องเก็บเข้ามาให้เป็นที่มเม่ให้ตก ไม่ถูกฝนไม่ให้ถูกแดดถ้าพิกษูใดเอาโต๊ะเก้าอี้ไปวางไว้ข้างนอกถูกฝ น, ถ, กฝนถูกแดดปรับอบัดนะแต่มันไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อมีขึ้นมาแล้วจะรักษาอย่างไรเนะี่ยอันนี้นก็ต้องมีอีกนะพระวินัยของพระพุทธเจ้าคือกดไดะเบียบแต่ถ้าไม่มีสอนให้ไม่มีบินทาบาทนุ่งห่มผ้าบางสกุลอยู่โคลนต้นไม้ ฉันยาดองด้วยนะ้ำมูดเน่านี่อันนี้คือวิชาหรือว่าอาชีพการเป็นอยู่ของพระสรุปแล้วก็คือพระพุทธศาสนานือพระพุทธเจ้าในท่านสอนให้พระสงฆ์เป็นผู้มักน้อยสันโดษจริงจริงนะคณะสัทย า, า, า, าญาณโยมลูกหลานนะไปฟังฟังดูอันนี้นี่หละคือชีวิตของพระสงฆ์แต่เมื่อเราพอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างที่ลงพ่อได้พูดได้กล่าว ก็ช่วยเหลือชุมชนยังสังคมไปถ้าว่าปลีกตัวออกออกไปสลัดทิ้งก็ไม่ผิดกติกาไม่ผิดกติกาที่ตรงไหนอีกเหมือนกันเพราะหลายเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะเป็นอย่างที่ลุงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้คืออนุศาสตร์อนุศาสตร์แปดอย่างนิสัยสี่กิจที่ควรทำอกรณิยกรณยิกิจสี่กิจที่ไม่ควรทา อาจารย์บอกเบื้องต้นเลยพอบวชเข้ามาเนี่ยบอกสอนอนุศาสตร์เลยอย่างที่ใครพระลูกหลานบวชเนี่ยอาารก็สอนอนุศาสตร์ทันทีเลยที่สอนเป็นสอนเป็นบาลีน่ะอนุสาสตร์นะกิจที่ควรทําและกิจที่ไม่ควรทำนี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของพระป่าพระดวงพระกรรมฐานหรือพระบวชในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกทุกองค์นะอยู่นะักสถานที่ใด อย่าหลงอย่าลืมตัวให้อยู่แบบพอกพอกว่าอย่างไงพุทธศาสนาว่าอย่างไองพวกเราก็ปฏิบัติตามนั้นแนะถึงจะไม่ไปตามนั้นก็ให้มองให้มองบรรทัดฐานเจตนารมของพระพุทธเจ้าที่ทัาสอนพวกเราสอนอยังไงสรุปแล้วก็คือไม่ให้หลงลืมตัวนั่นะหลอแต่ ในจิตใจของพวกเราน่ยจะทํำยังไงจึงจะหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารจุดใหของพุทธะนั่นคืออะไรจุดใหญ่ของพุทธะนั่นคืออะไรจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการนั้นคืออะไรพวกเราต้องดูจุดจุดนั้นนะ่ะจุดที่พระพุทธเจ้าชี้นําบอกทางให้พวกเราเดินก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ พระ อ, อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพวันเดือนหกเพนน่ะวันนั้นน่ะนั่นน่ะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างพุทธสารุษิทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธเจ้านั่งภาวนายอย่างไรแล้วกับสติสัมปชัญญะพระ อ, องค์อยู่ในระดับไหนเกิดเกิดญาณทัศนะอย่างไรจนรู้แจ้งเห็นจริงตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ ได้เด็ดขาดนั่นแหละอันนี้ก็คือแนวแถวของพุทธะนะให้พวกเราศึกษาดูที่ว่าจุดสูงสุดหรือว่าจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าจุดหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยอที่พระพุทธองค์แนะนําบอกกล่าวสิทธิอนุสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนให้เดินไปจุดไหนจุดที่สูงสุดอ่อ สรุปแล้วก็คือพ่อค้าวานิชไหนก็ตามวิชาอาชีพไหนก็ตามแต่เมื่อเราเรียนเข้ามาแล้วกสอนวิชาให้การดำรงชีพให้สู่จุดหมายปลายทางของวิชานั้ น, น, นอันนี้วิชาของพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนที่ได้ตัดสร้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่สอนพวกเรา ให้พวกเราเดินยังไงเดินไปถึงจุดหมายปลายทางตามแนวแถวของพุท ธ, ธคือตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่หมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตการเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรมรมนั่นแหละคือจุดสูงสุดของพุทธะนะแต่พวกเราจะเดินถึงหรือไม่ก็พยายาม แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะศึกษาไปเรื่อยๆต่อไปบุญบารมีของพวกเราแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็จะมองเห็นแต่ถ้าว่ากิเลสยังมีอยู่ราคะโทสะโมหะโมหะยังมากๆอยู่มันก็นมันลมมาตุ่มดึงใช้ดึงขวาจ่ตลอดเวลาแต่ขนาดพระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนวันนั้นก็ยังได้สู้กับพญามาร พยามาลกิเลสสมานนางตันหาราคาอราดีเอเป็นเรื่องเป็นราวจนพอแหลจงจนตัดกิเลสได้จึงเป็นจึงได้ตัดสรู้ในวันนั้นนะคนที่จะไปสู่คุณงามความดีก็เหมือนกันผู้ที่จะไปสู่คุณงามความดีกิเลสล้งไว้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะล้งไม่หไปในทางที่ดีเพราะนั้นให้พวกเราดูดูจิตดูใจของตนเอง พอจะประกอบคุณงามความดีจะพอจะไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นนะพอจะเดินจงกรมเท่านั้นนะพอจะประกอบคุณงามความดีเท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวเรื่องนะั่นเดี๋ยวคุณเรื่องนนีะ่พอจะกราบพอจะไหว้พระเท่านั้นพอจะกราบอลหังสวากะตัวไนอะความง่วงความหาวนอนมันนู้นไปมันมาจากไหนเออหาว่าขาววายน้ําตาหลังน้ําตาไหลเออมันไม่อยากจะไหว้ไม่อยากจะให้ไหว้พระนะ นั่นแหละล้วนแล้วจะเป็นกีิเลสทั้งหมดนะถึงลังเอาไว้ไม่ให้พวกเราประกอบคุณงามความดีเพียงแค่นั้นมันก็ยังลังเอาไว้แล้วแต่ส่วนอื่นเข้าไปต่อไปภายภาคหน้านะมันจะขนาดไหนพวกเราให้สังเกตสังเกตดูก็แล้วกันนะต่อเนื่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอรนะคณะทาญาติโยม